วันนี้ลู่ไม่ได้มาร่วมที่ไรวงกับหลวงพ่อตอน้าแต่ลู่ไดตัวพี่พี่องห้าสิบแปดจบลูกเก่งมากเขาบอเก่งจริงๆแรงแรงดี ถ้าเป็นการทดแทนคุณลุงหลวงพ่อหายจากโรคภัยไข้เจ si oh, yeah, ah, ็บได้แข็งแรงสมบูรณ์ให้มีความร่ำรวยมี้อบายการการปฏิบัติเช่นนี้หลวงพ่อจะมีผลได้รับหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับลูกขอถวายสามีอีกอีกสองร้อยสิ่้ห้าร้อยห้าร้อยห้าสบบาทเท่าไหรโอ้แต่ปราได้วอะไรกได้ผลนะ แค่เก่งนโมตัสสะแค่นี ine, ้ก็ได้ผลแล้วเราสอนทั้งห้าที่เสร็จเก่งมากเียรติขอชมเชยเพราเก่งนะน้าท้าหลวงพ่อตัวรถยางสูงนางสาวนุ้ยได้เข้าแหวนจักรพรรดิของหลวงพ่อไปใส่ที่นมือ หลังจากเก็บค่ยก็จะสิ่นใจได้ค อ, อยเฝ่าดูแลอย่างใกล้ิดแต่ว่าพอแคสิ่นใจพุ๊บปุ๊บปรากฏว่ า, าแหวนจากราพรรดิก็หักมันทีนี่หลักษาทอามอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะเรียนถามหลวพ่อว่า เ, อาเรื่องนี้จะเป็นเพราะเหตุใดแหวนที่หักนี้ควรจะทวายหลวงพ่อหรือ เอาไว้ใช้เองหรือจะเสื่อมหรือไม่หรืออย่างายหลายหรือหรืหรือเอาง่ดีกว่าถ้าเป็นแหวนต้องคำนวณถวายฉันไม่ใช่คำนวณถวายลูกทรงก็เป็นดีนะเอาง่ไปขายได้จากตัวมว่าก้าวไม่เป็นไรนะเขาจีงแหวนจนต้องตายยัเลาบกว่าขอหยแม่เกิ หลานพ้าหลวงพ่อที่สุดลูฬาของลูกลูกได้เชื่อถือและปฏิบัติตามคาสอนของหลวงพ่อโดยเอาบาตรที่ลอยในลมไปใส่เงินวิระไช ย, ยที่บ้านเป็นประจาแต่ว่าลูกไม่ได้มาหาหลวงพ่อตั้งสองเดือนที่พ่อคงจะมีจานวนมาก เมื่อเร็วๆนี้ก้อยป่าดูหวังจะรวบรวมมาถวายหลวงพ่อฟ้าฝนก็เป็นนักตาคือไม่มีเหลือเลยทุกบานทถามไปถามมาเจ้าหัวเลยยำมันเอาไปสุดสุดหมดเลยลูกก็เลยไม่รู้จะทําอย่างไรเธออยากย้ลยให้หมดจานไปฟ้าก็ในทะเลใชไปนี้ไม่รู้ว่าเท่าไรแน่แล้วจะให้ลูกแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่มีบาปมีกรรมแต่ลวงพ่อยอมตัดฉันกะไม่มีบาปแล้ว จะไม่มียังไงอ่ะเขาไปใช้กัไเองมันน่าจะมีกับคนใช่มากกว่านะเออจะถามมีบาปอยูทำไลงพานั่นเลยที่ไ้ไทยจะไปยกตัวหวาย้ว่มแบบหมเอาไปใช้กัไปบอกไปเราคก่าเนมันลบหลูดีดีเลครับทนนับถือตัวหน้าตาอ้นาตาเือโลกนี้ทั้งหมดทุกอย่างเป็นหน้าตาไงถ้ากายคุ้มอยู่นะยงหายเลย อาเขาพว่าภรรยาี่อยากจะไม่รู้ตังเนเท่าไหร่เมาเมาเพ้ยนเาเลยก็กันทั้งแสนทั้งแสนก็ว่าไปห้าบาทนู่นแล่โอ้โหถ้าเขียนเช็คใส่จะไหลล้านใช่ใช่ใช่คือว่าเทาที่มันยากรเลยนะอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแล้ว แต่การจริงของนั้นมันยังไม่บาปแต่ว่าเจตนาของพันยาเขาคิดจะแตาไวพระใช่ไหมแต่สามียไปใช้เหมือนการกระเปิดสามีเนี่ยเหรอไม่รู้ผัวไม่ใช่การกระเปิดการก็เปิดนี่ไม่ไม่มีเจตนานะชาวบ้านเ้าของมาจุดตะไหว้พระไปตอนเลนันพระใกล้แจกเรื่องคาวสลาอยู่ก็โศก เขียวไปกินสามคำตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเพราะว่าโว้แมงกาลอยในอากาศไฟไหม้แล้วก็มีหอกแทงดาดฟันแต่ตามบาลีบอกว่าขอนี้ถือว่เป็นของสงอยังไม่ได้เพราะเขายังไม่ไม่ไม่เกณฑ์สงจะเป็นของสงเราคงไม่ได้ว่าตัดตัดสินใจแล้วเป็นของกลางระหว่างชาวบ้านกับสงแต่เราขสสงเราเคยทีอย่างนี้ก็แสดงว่า ว้าตายก็งี้ว่าจะไปท่านโนโผล่จะไปเท่าไหร่ไม่แน่ยังไม่แน่แล้วจะไม่แน่เขาตายยังไม่อห้ยังไม่แน่เนยก็ที่อาจจะเหาะได้อาจจะรู้เร้่องไงเวลาเขาตายมาตึกถึงรู้จ้าพุทโธมาว่าไงอ่อโอ้เวที่เราไปวัดถ้าคุณมีเท่าไหร่เราก็เอาให้หมดเอาให้หมดวัดเลยัวยกวัดมาเวลาคนจะตายแล้วก็ภาวนาพุทโธไม่เป็นไรพุทโธนำ พเพร oh. าะว่าเงนน่ะสร้างเป็นตึกนำอะไรนำอะไรนำมนุษยหาาายยจคววก็ตนา ลูกสงสัยว่าเวลาไปบวชที่วัดเนี้นะอาหารการกินทางวัดเป็นคนออกไม่แล้วก็ลูกการเงินก็ไม่สวยดีก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการเ้อ่นี้ต่อไปไม่เพไปกินของของวัดลงแล้วก็ยัง <ไป S 2> ให้จักรังโดยเฉพาก็ให้เปเนตตาแล้วก็สมใจเลี้ยงไม่เป<ม>็นไรอเ้าจะเป็นทานบารมีน ะ, ะนใช่ก็ใช่ใช่เขาต้มฟรีไต้อาหารเจกินกีฟรี กิมกีฟรีเลยครับก uh, <hi. S 2> okay. ิมกีฟรีน <als> ี่อะไรนะก็ฟรีหมดกิมกีก็แปลว่าทองแต่กิมตกอแปลว่าก้าวแล้วฟรีแลสูงแล้วออกไปแล้วแต่ก็เป็นอ๋นี่หลวงอหลวงพ่จะหาคือลูกจเปิดร้านภายในอาทิตย์นี้ คืออาจจะเป็นใจในการที่จะอัดสุ่เสาอย่างไรลูกไม่แน่ใจถ้าบารมีของหลวงพ่อเะโชว์จนลลูกป่อยไปไหนก็ได้ขอหลวงพ่อพูดไปแล้วกันจะได้มีโชคมีลาบลูกรือลงลูกลั่นรวยหลวงพ่อโชว์พากเออตอนที่สามสิบสองนี่นะเออได้ได้ได้ได้ด้ไได้ได้ได เดอนววันนี้นะอ่าจะเอาเปิดอะไรดีกาค้าขายเปิดอาเปิดปะจัญจะกระดุกกระดมมาทำไมโอ้การของตูสเหรออ่าผู้พูดตรงยาวโอ้กาที่ผู้พูดใช่สุกปักหวานนั่นคันรับเอาูกสอเป็นมิกาและโอ้แต่ยังน่างว่าใครเปิดันพุธก็เป็นมิ อฉันเกิดเป็นทกวันะทุกวันเลยไม้พังลูกหลานที่มาทุกคเป็นรศเลยเป็น่รศเลยเกินันรวมตอหาวันนั้นเชื่อวันต่อหนาวันต้อกลงนะจะเปิดวันจันนี้กันนะเวลาก่อนจะเปิดก็เอาเทศสมาทานกรรมฐานเปเลยลงบนแค่ยี่าบาท เอาลูกเป็นพ่อไปวางโอ้ไม่ต้องเสียตังมากเลยใช่ใช่ก็ไปไประเทศอยู่แล้วโอ้ไปประเทศอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แค่บิมาป่ากระตุก <c oughs> ล้านด่างรียกไปตั้งเยอะปลาปราาวรองพ่อที่ล็คกอย่างสูงเ อ, อเรื่องการบริจาคโลกนี้ได้ทราบข่าวว่าเป็นบุตคนนั้นยิ่งใหญ่ไฟ้าลที่นี้ลูกได้บริจาค หลายครั้งแล้วทุกการั้งมักจะพูดอริษาอย่างนี้ว่าขอวระที่ผลุสนที่ได้บริจาคบุญดีเป็นทานนี้บุญดีใ้แก่เพราะกรรมเจ้าเวรนายการมทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีในอนาคตขออยได้บังเกิดเองท่านพรเจ้าเลยทุกครั้งก็อริษานอย่างนี้จะมีผลตามความปรารถนาหรือเปล่ามีผลแน่นอนสิ่งทีท่ไม่ดีมันก็มีกําลังถ้าตามกำลังความเลย ใช่ให้มันดีทำยงใช่ใช่เลยใชได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้่เอาลก็จะนทีนี้ก็อีกข้อหนึ่งว่ากอคือว่ากรมไดฟังผูเฒ่าคนหนึ่งบอกว่าถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรืองมีโรคมีลาภจะต้องปลูกต้นไม้สาม้นให่เพียงคู่กันนึต้นน้าขวัสองต้นก้ยเทียน สามต้นเจ้าทูสามต้นนี้รวมกันเม่อไรจะจะเงินที่เงินเ่านั้นสวยดิไอ้กฤษณ์สามไม่สวยแน่ทนกอย่าทุกวันเป็นไหมอีกวะไม่ต่อยพนชังรวยพนชังก็รวยรวยเป็นหาเปรนผี ก็มีตามก็ผีฟ้านะใช่มเอ่อถ้าค oh, ุณแขงก็มีบุญมีไว้คนตรานมนาดีเท่าไหร่นดีมากมันดีมากเกินไปอคนนี้ตกสีเนี่ยถูกด่าทุกวันโอ้คนข้างนอกรักข้างในำคาญหนิดโอ้่า่ไนก็ขุดคนงานใช่ใช่แกก็ไปเลยงต้นไม้ ไม่มีอะไรทีนี้ก็มาถึงโอ้นอนไม่หลับพ็หลับหลับอ่ะราพ้าหลวงพ่อจุตรบจําทรงคุณว่าแม่ขมลูกจะเป็นคนชอบนอนหลับเวลาหลับทีไรก็จะได้ยินเสียงสวดหตดเสียงสวดคนเล่ไม่ทราบว่าวเป็นของใจแต่ว่าไครบเพราะจับใจมากตวดยาวจำได้จะเสียงว่าสังวาชโตแค่นั้น ก็กนั้นจําไม่ได้เลยที่จะรามเยี่ยนถามนี่ก็คือว่าครั้นี้ขัตตหมายถึงอะไรจะเป็นธรรมะปฏิบัติในข้อไหนถ้าเลวงพ่อชี้แจงลูกก็จะปฏิบัติตามเจ้าค่ะฉันก็แจงไม่ออกเจ้าค่ะมไแก้วตัวเดียวข้งหลังก็โตมาไปแล้วโอ้ให้สังวาลยสงสอบสังวายไม่รู้อะไร ไอ้สังแบบพร้อมแล้วกับดีนะป่าไปหรือเออไปแล้วหรือไปแล้วหรือโ้ยตอนหลับมันเหมือนคนตายนะเออเตือมเตือมถามไปแล้วหรือไปแล้วหรือไอ้ที่ะ่อหาเป็นนไดะตัมันไ่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเพราะเขาขก็ตั้งใจให้จำแค่นั้นเท่ที่มันเป็นหัวใจนี่เนี่ย ต้องความจที่ต้องเป็นรู้ใจใช่ใช่ใช่คือตัดเเพาตัวหน้ามานี่ทหาก็เลยจะลองไปห้องบัตรใจนะขอให้ท่องจนรู้จีมากแหม่รู้เลยนะต่อเวลาหนกันอะไรน่ยกเลยเลย จากฟ้ า, า, า ห, หลวงพ่อที่ ร, ออร็นั่งจัมปุ่มูกไปอ่านหนังสือเล่นหนึ่งที่แม่พ่อเขียนไว้ความตอนหนึ่งมีว่าเมื่อเวลาเจ็จไม่ใด้สวยไม่สบายเราก็สามารถทำสมาธีพักผอนร่างกายมี้ทุกเวทนาหนีความเจ็บปวดได้ทั่วท้ า, า, าเรียกว่าหลบไปนอนเล่นที่บ้านใหม่ทักทราลูกจาะจะเรียนถามก็อย่างนี้ว่า จะยังมีสมาธิไม่ดีแล้วเรายัไม่ยึดพิ็ยังไม่ถนัจอยากจะหลบแปงหลวงพ้อฟังไม่ฝ่าดฟังยังมีสิพิ์หลบได้หรือไม่ก็เราไปหลังเครื่องก่อนเพราะอ่าเราแเพื่อสหลับเครื่องก่อนเขาแค่ได้ทิิพิธีหลบถ้าเราไปไม่ได้นะเขาใช่นาบาวุสติหลุดรู้หลุดไม่ใจก็ออกวันเดียวเดียวรุ่งอรุณจะรับง่า ใช่ดาปาถ้ารันะหมออาปาทีก็เป็นหอกษาผู้ป่วยใช่ใช่ใช่ดาบปานะรัตป่วยธนาทิาไปดนาปาใช่ใช่นรกก็ไปด้อยนาปาแล้วใต้ดินก็ค่นาปาแล้วเปลี่ยนเป็ปานาโอ้ไงหลายอย่างนาปานี่เป็น อาชีพก uh, ็สองปากเท้าที้งเดียวว่าโลกได้ทำผิดไปแล้วจะลื้อตกผงไม่ได้อย่างนี้แต่ค่ะทุกสารทองทุนที่ลูกตั้งไปเนี่ยนะปรากฏว่ามันสถานที่ไม่มีจำเป็นจะต้องปลูกใต้หลังคาที่ต่อยื่นออกไปไม่ทราบว่าในอนาคตท่านจะลงโทษหรือทําให้ภายในครอบครัวเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าจะลงโทษลูกขออ้างหลวงพอเป็นพยาน ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นขอให้พระภูมิจงแพ้หลวงพ่อเองนี่จมีการลบกระบอภูมิเอ้ยไม่เป็นไรพระภูคิได้ชอบดางแดดวางฝนให้โอ้ก็เรียกลมเย็เป็นสุขนะไอตาัาหาแม่อะไรเาไปได้ส่แรกแต่สถานที่สถานที่ที่มันไม่มีความจำเป็น ก็หาที่ว่างไม่ได้ก็ตั้งในบ้านก็ได้จงสมัยฉันเคยยังตั้งสังคมอยู่นะเคยเป็นเคยเป็นโอแหน่ได้ิมงตาลาลังเียก็มันไปไหนไหตั้งฐานูมันทิศละสี่แสนแล้วก็ยกแปดทิศแก็สามสองท่ากัวันที่อะ้รเน เดี Ay, smoking, really? ๋ยวนี้ที่วัดบงสวงนะไม่ต้องจ่ายข้าวหูหมูก็าไก่เพราะว่าพ่อของเจ๊คนนี้ทขามีอาชีพเดิมเหมือนกันนะแกดีมลไปตั้งศาลที่ยังถ่ายพี่ร้านแกไปก็หาที่ไม่ได้ด้านหน้าก็ไปถนนใช่ไหมด้านหลังก็ชนร้านรนหลังรุมหมด แต่เมื่อหาที่ไม่ได้เขาตามบัญญัติเาบอกว่าห้ามเงาทับบ้านเงาบ้านทับประภูประภูทับบ้านนี่ไม่ได้ใช่ไหมเ<ไ>ช่นก็ทักหมดท่าไปนั่งปรึกษาประภูเ<ไ>ขาเล่าอะไรกันกแน่เนี่ยกี่มันที่มัน<ไ>ยมกลับใช่ไหมเข<ไ>าบอง ก, ก็ตั้งหัวนอนเหมือนกันแล้วกันก็<ไ>เลยสั่งตั้งหัวนอนตอนนี้เมื่อตั้งดหัวนอนแล้วเพื่อนๆบ่าเขาแจว่า ไอ่็ใครต่าสานน่นะไอหมวังเจอเลยถูกรางวัลที่สองก็เตไบัตั้นไต้นมาขหมูที่วัดไต้องเชื่จนทังบัตนี้ถ้ามันตายไปแล้วหรือลูกลยังให้อยู่อมาถวายใช่ขอความดีที่ไปใช่เจ่าสามภูนใช่ใชูนวันที่2อ็นยัรางวัลที่สงที่บ้านผมตั้งใจยม้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ เปนน็นนั้นว่าถ้าว่าที่จะแต่งต้นเถี่ยแล้วว่าทำไมว่าไม่ว่ า, อ, ว า, าอะไรนะไอการตั้งศาลนี่เป็นการยอมรับรับเถือซึ่งอะไรกั น, กน เ, ออเรากราทั่งเขาจริงวิมัยเขาท่านมีอยู่พุ<ๆ>ทธเจ้าดาใช่ไหมเป็นการถ้าบอกเป็นการยอมรับว่ถือที่มันไม่เป็นไรถ้าตั้ ง, อองก็นอนก็ใช้หินไม่ต้องศาลใช่ใช้หินใช่ใช่ครับก็เป็นานว่าสบายใจได้นละ านปเที่นี้ก็เอาข้าไปพ่อเนี่ว่าเมื่อตอนเช้ากลางวันลูกไม่มีโอกาสมารุ่มวิจิตรกับหลวงพ่อในเรื่องวงหลวงส่วนใหญ่แล้วลูกหลานมาในบางคืนไม่ได้มากางวันลูกกลางวันไม่ได้มาบางคืนจดีงยวจเย็นถามก็คือว่าในขณะที่เรางพ่อบวกลูกบวกลูกไม่วันนี้ มีข่าวดีข่าวอะไรคือพอจะเล่าลูกหลานฟังเพื่อเป็นทีมงคนบ้างก็ผ่านมีข่าวดีถ้าเกิดต้องรมโลกั้างในสามประเทศไทยจะรวยวถ้าเกิดนะเพามันไม่ได้เกิดในประเทศไทยเราก็ขายของดีแต่บอกว่าชาวบ้านธรรมาดาธรรมดาที่อยู่บ้ากระตอ่อมอะนะวันจน ๆ, ๆ, ๆนะนะ<า>จะมีเงินนับแสน ไอ้วีทนมีเงินนนับแสนก็ถือเป็นคนจนในสมัยนั้นใช่เขายันถือว่าจนอยู่คนฐานหน้าดีหน่อยก็จะต้องมีเงินนับล้านก็อะไรัหยเขาโมรบกันเราขายของเราพืชแต่โดยเพาะอย่างยิ่งสงครามโลกครั้งที่สามถ้าเกิดขึ้นจะหนักมาก ตามที่พระเจ้าพยากรณ์วยัก์นอกวัตถศัลนาจะรรางข้าวฟันเช่นกันนกันกษหินิโตรซาดจะลุกขอาะวาดจะต้องตายไปฝ่ายเราเพิงจริงเรื่องรากันถ้าประเทศจีนถือวัตถศัยนาจะมีไฟเหมือกันแต่ไม่ได้แหล่นักมีบ้างาาใช่ใช่อยักษ์ที่นุนอะไรยักษ์ที่รุนสาบใช่หมยก์หินิาเมื่อก่อนเขาเลยว่าเป็นประเทศจีนกจริงไม่ใช่เพราะมันแข็ง พราะปลูกทางวิยาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ยกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เลยอตกงวารูปหลาก็ต้องวตรกังอะไรเนี่ไม่ต้องวิจตรกังวลอเลยมากถ้าใครกลัวนะไปที่วัดค่าเช่าไม่แพงวันละวันละวันละพันบาทท่องออ มีตกลงก็หาพ็ลบกันในประเทไทยก็จะบอยดยนะใช่ใช่คนจนจะกลายมีเงินแจกไอ้หลวงพ่อทำขหาวว่าเป็นไปได้ขอให้ลงนี้ก็ไดนได้ได้ช่งนี้นะฮะฮแนวเลยะกลฮะฮะฮะฮะฮะฮะะะะฮะฮะฮะฮะนะฮะฮะฮเฮะฮะฮะฮะฮะอะฮะฮะกะฮ้ฮะฮะฮะใช่ะฮนฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ ก็ยังกินยากใครจะกินยากบ้านทุกท่านไม่กินฟ้ากันแล้วโอ้ยตกตงเนี่ยเราควรจะิใจนะเติมกำไรรวยมาทั้งน้าเอกบอกว่าตาพลาเราตการหลวงพ่อที่เราต้องจากหลวงก็ผมอ้าอิจฉาได้เคยกล่าบเมียถามเรื่องสามีดึงรล่าว่า จะแก้หาจะบนบางอย่างไรข้อแ น, นะนำลูปไปทาฟัซได้โดยที่หน้าพอใจกระเราคือรูกอ่ะสามวัเลิกดื่มเป็นเวลาสามวันและวแล้วก็ดื่มต่อลูกก็มอนอีกแก้ไดอยู่เป็นสามวันและแก้ก็ดื่มต่อดีเด้ยาวามวันวันนี้จะทอยยหมดวันนี้สามันบนต่อสิโอ้ยแ<อ>หม ใช่ใช่ใช่ใจออาไปรว้โชคชะตาพี่บนเลยอแต่ไม่อย่างนั้นเหตุการณ์กลับเป็นอย่างนี้พริกหรอกต่อมาอีกสองสามเดือนสาปีของลูกเลิกดื่นเล่า้วยเด็กขาดลูกสงสัยก็เลยถามว่าก็เหตุใดจึงเลิกดื่นไดยเด็ขาแกพูดว่าอย่างนี้ถ้าใจหลงบอรถหลวงพ่อเอนุสามาจากวัดข้าตุ้มมเทศมาโองด้วยความลงบาก เพื blender, long, ่ออะไทุกคน้นฟุกหลวงพ่อ uh ยังป่วยก็ยังมาตอนผู้เห็นใจพระเออเออเขาดีเขาดีขอชมมาดีขอบใจมาดีเห็นใจนะเออหลวงพ่อมันป่วยไ้ไม่เลยเนี่ย ต้อง่่นี่พอต้องป่วยตลอดเลยนะ้แน่ถหายป่วยอะไรเน่ยเลิมันจะดื่มเล่าโอ้แล้วป่วยต่อมันป่วยทุกวันได้ทุกคนนี่ะาที่พระเจ้าบอกว่าชีคัตฉาบรมารคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งหิวทุกวันที่พ่ออย่างยิ่งพวกผู้หญิงนะหิวตลอดการอ้าวยามว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมใช่แต่เขาหิว เันเกติกินข้าวเช้าแล้วยังไม่พอไอ้ลูกไม้ลูกไร่กินยังเรื่อยยันจำันเอาลดความหอมความหอมเออเอใ่ๆโอทีนี้ก็ลงมาอย่างนี้ด้วยความที่ผมชอบทยแล้วเป็นเดสามีขกเลยเลิเลิกดื่เห้าเด็กขา ลูกเลยใส่ย <Inter red ator> ้างแลวก็่อหนึ่งพันบาทหวังว่าลงพ่อกขไม่รู้นะครับดูแล้วแลดแลดูเถอะพูดอะกี่เนี่ยเขาจะแอบตอนใส่ใช่ใช่ใช่เขาจะแอบใส่ใช่ใส่เป็นรนะแหมทุกอย่า้อให้กันหนึงต่อนะเละพันละพันละพันมันเอีแล้วรานาด้วยนะ มีปัหาว่าคันยาใครลืมเล่านะเราก็บ่นแบบเดยวกนนั้นนะเฮียเสียบนว่ายังไงอ๋อตอนบ่นจะก็ไม่บอกแต่ว่าเวลาบ่นจริงๆอ่ะเลิกแค่แคสามวันใช่ในตอนนี้เขเห็น้องค่อป่วยก็เปล่งใจแน่แน่เพราะการบ่นเป็นเหตุทีนแรกเลิกนอนไม่ได้ดีไปดีก็จะป่วยอีกเขาเลิกไปนอนก็เรากินกระตุ้นนิดเนี่ยม่คนกระตุ้นประสาทใช่ไมประสาทมันยังไม่ชิน เป็นสามวันแล้วก็ว่าต่อไปอีกหน่อยเป็นสามวันว่าต่อแต่จนได้สุดก็เว้นแล้วมันชินก็เลยเลิกได้ทีนว่าพระเวรับหรือว่าสมบัติของตามพอดีด้นั่นใช่ใเอาอาสนคนไปผู้สนมาแล้วประเทศที่ว่าอะไรนายภาษสามเดือนไม่ดึงใช่แล้วออกภาษาเเดือนห เช่นนี้เวลาตายเราจะไปยังไงไปยังไงจะแน่เลยจไปกเขาเสือให้ไปที่ไหนก่อนอ๋อให้ให้เราเลือกสามันใดใช่ใช่ถ้ายังพอใจในการดื่มกนลงโลหภุมี่ท่นี้แหละครับใช่แล้วก็เรียนครับเหมือนกันแต่ที่นั่นกินฟรีแล้วที่จิวานป้อนให้เมื่อป้อนให้แล้วนางทนไม่ไหวจับนอนเปลกอกผอา ถ้าทนไม่ไหวจริงจับยนตงมอบเลยให้กินทั้งตัวอ๋อตกลมวันทั้งเหล้าทั้งเบียอะไรกนแค่เขาอู่กแห่นีใช่จะเหมือนกันเหมือนกันไอเบียไอเบียกรอูนี่มันเป็นเมรแต่ถ้ากินเมื่อสัรคมดีหมดถ้ากินเมื่อสังคมนี่ดีมากไปดึกลุ่มใช่ไหมเอาเลย ต่อไปจะอะไรตรงน้ำนั้นดีนะจง้อกันใช่ใ่ไฟไหมก็ไฟพร้อมกันไฟเรียทรวมน้องชาอต่อไปไมเอาแล้วใครมันโดนเลยไม่เอาต้องคิดงดีกว่าจริงคนเดียวใครไม่รู้ใช่ไหมงานที่ต่อเวลาไปใครก็เป็นกวนใจด้วยใช่ใช่ใช่แ้เอาแลังเป็นใจหลวงพ่อวันนี้แป้งหนึ ไม่มแต้งอะไรหนึ่งนาทีครึ่ง <c oughs> <c oughs>